จักกัว s ต m ุวะระหัตตุสัมมาสัมบุตตสั a นโมตัสสะกัวัตตุวะระหัตตุสัมมาสัมบุตตสักนโมตัสสะกัวัตุรหตุสมาสัมบุตตสักอิดานิปนราีนิวเซสนิปติตายะ มุทภาพริสาญาคาจิตามิกาากทตยาเตมโนภูมิบังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจดุทเทนะพาสตีวากรุติวาตโตนังลุกมันเนติจักกังวะวะตูดันติหิมัสสะธรรมะปริยายะตะ โกซาธาาสมมันเตหิจักจังสักจังธัมโมโซตับโธตนวันลีเป็นวันบรรศีดิถี ที่15ค่ำแห่งสุกการปักเป็นวันที่พระบรมศ า, ศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พุทธบริษัททั้งกระหัสระบัญประชิตตามก็ได้สละภา ร, รากิจของตนมาร่วมชมนุมเพื่อสดับรับฟังพระสธรรมเทศนามันควรแก่การ สับรับฟังและควรแก่การที่จะได้น้อมนำพุทธปฏิบัติให้สำเร็จเป็นคุณความดีเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นในกายในจิตของตนเบื้องตนและการที่จะได้สับรับฟังธรรมดังกล่าวนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้พากันตั้งใจ ประกอบซึ่งกรณียกิจได้แก่การกระทำอันดีงามมีการกล่าวคานมัสการปรัชนาไรัรพร้อมด้วยกายวาจาใจและพร้อมด้วยส ก, การะปรามิตรและก็ได้น้อมกายน้อมจิตของตนรับเอาซึ่งข้อปฏิบัติ มีเบญเจเวรวิรัติสินห้าเป็นต้นเป็นที่สำเร็จลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้ทำการส่งเสริมเพิ่มเติมกุศลบุญญาราศีหรือว่าบารามีธรรมของตนให้เจริญงอกงามภพยบูรณ์มนุญญผล มากยิ่งขึ้นด้วยการสดับรับฟังซึ่งธรรมะอันได้ชื่อว่าเป็นคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าตามในญาติที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขป บ, บทในเบื้องต้นนั้นว่ามโนุปภังกมามธรรมามนุเศทษฐามนมยา มนาาเจปสสันนนะปนัมนาาเจปุทธเทนะภาสติวากโรติวาตัตโตนังลุกมันเนติจักกังวะวะโตประดังซึ่งแปลเป็นใจความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวนหน้ามีใจประเสริฐสุด และสำเร็จด้วยใจเมื่อใจไม่ดีการกระทําก็ดีการพูดก็ดีย่อมเป็นทุกข์เหมือนกับ ล้อไปตามรอยแห่งโคจะนั่นนี่คือเป็นพุทธภาษิตเราคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยย่อแต่ในหัวข้อ ของธรรมานีท่านได้ชี้บอกหรือให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังได้รู้ถึงเรื่องของจิตใจโดยที่ท่านยกขึ้นเป็นสัม์ว่ามโนหรือว่ามันนะซึ่งแปลว่าใจ ท่านี้ท่านชี้แสดงถึงใจนั่นมีอยู่สามนัยยะด้วยกันนัยยะหนึ่งนั่นหมายถึงความเป็นใหญ่เป็นประธานนัยยะที่สอง หมายถึงความประเสริฐในยะที่สามนั่นก็หมายถึงความสาเร็จความเป็นใหญ่เป็นประธานหรือความประเสริฐหรือความสาเร็จในสมนมมยะหรือในสามลักษณะนี้เป็นเครื่องชี้บอก ให้รู้ถึงคำว่ามนโนคือใจของตาเราแต่ละบุคคลหรือของสัตว์ทั้งหลายนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนั้นได้ยกขึ้นมาแส ด, แดงหรือที่เราได้เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงของใจหรือว่าใจของคนเหล่านี้มีสิ่งต่างๆนั่นก็หมายถึงว่ามิใช่อย่างเดียวมีอยู่มากด้วยกันที่สามารถที่จะแปรเปลี่ยนจิตใจของเราให้เป็นไปในลักษณะต่างๆกัน พอสรุปลงไปแล้วก็จะได้ความออกมาว่าใจดีกับใจชั่วดังนี้เป็นต้นแต่ในที่นี้ท่านได้ยกขึ้นมาหรือชี้ให้เราได้รู้ได้เข้าใจถึงว่าใจไม่ดีได้แก่ใจชั่ว เมื่อใจไม่ดีแล้วการทำหรือการพูดอันนี้ชื่อว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดผลก็ต้องพลอยไม่ดีไปด้วยก็เลยต้องกลายเป็นการทำชั่วพูดชั่วไปเสีย ผลของการทำชั่วพูดชั่วก็เลยเป็นผลที่ไม่ดีอันนี้ชี้ให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนไปหรือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในรูปลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในทางที่ไม่ดี ข้อสุดท้ายนั้นเป็นเครื่องเปรียบเทียบรูปประมาทใหม่นั่นก็หมายถึงว่าผลคือเมื่อทําชั่วพูดชั่วแล้วก็จะต้องเกิดผลเป็นทุกข์หรือผู้นั้นจะต้องได้ประสบกับความทุกข์จะเป็นอื่นไปไม่ได้ท่านจึงเปรียบเทียบ ลูกประมาประมายกับโคที่ลากล้อหรือลากเวียนพวกเราทุกคนก็คงทราบและเข้าใจล้อหรือเกวียนย่อมบดทับลอยแห่งโคไปอยู่ตลอดเวลา ล้อย่อมบดรอยแห่งโคไปโดยลำดับอันนี้ชั้นใดทุกย่อมเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นแกบุคคลผู้ทำชั่วพูดชั่วและการพูดชั่ว ทำชั่วพูดชั่วนั้นก็สืบเนื่องมาจากเหตุเพราะมนโนคือใจชั่วมนโนคือใจชั่วก็เพราะเหตุกล่าวสั้นๆคือกิเลสมีความโลภ ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดก็ไปสิ้นสุดจบลงตรงนี้ถ้าเราจะสืบสาวหาเหตุเพราะนั้นในเบื้องต้นท่านยกขึ้นมาให้เราทำการศึกษาและเข้าใจกันถึงเรื่องของคำว่าจิตใจมโนปุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า หรือมีใจเป็นประธานหรือมีใจถึงกอดอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเป็นหัวหน้าก็คือถึงกอดก็คือเป็นใหญ่เป็นประธานและแต่เราจะยกมากล่าวในสับใดสับหนึ่งก็ได้โดยซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน ประเสริฐสูงสุดเป็นใจที่ประเสริฐกว่าบรรดาใจทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกได้แก่ใจของสัตว์มีชาติคือการเกิดอย่างเราท่านไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เดริชานทุกมูเรา ถ้าเรามองกันง่ายๆคำว่าประเสริฐสุดอันนี้ท่านยังไม่ได้ชี้บ่งบอกเพียงแต่ยกบอกว่ามโนคือใจประเสริฐสุดนะประเสริฐสุดเพราะการมีการเป็นพร้อมด้วยคุณความดีนานับประการยังไม่ได้กล่าวหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอย่างนั้น อยู่ๆท่านก็ยกขึ้นมาบอกเป็นใจประเสริฐสุดกว่านี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าขึ้นชื่อว่าบรรดาใจแล้วก็มโนคือใจมนุษย์นี่แหละประเสริฐสุดกว่ามโนคือใจของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดไนมาพื้นบนิภพนี้เรียกว่าสัตว์ตวโรคยกเว้นมนุษย์ นั่นก็ได้แก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่อาจที่จะคานานับได้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่แต่ปรากฏว่าสัตว์คือมนุษย์นี่หลมโนคือใจมนุษย์นี่ประเสริฐสุดกว่าสัตว์ทั้งหลาย นี่เปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์แต่เราผู้เป็นมนุษย์ได้ยินอย่างนี้แล้วอย่าสําขัญตนว่าเป็นใจประเสริฐสุดแม้แต่เพราะไม่ต้องอาศัยการขัดเกลาก็ประเสริฐสุดแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นสำเร็จด้วยใจเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว สุขทุกข์สำเร็จมาจากใจทั้งสิ้นตอนนี้เมื่อเราจะขยายเพื่อเกิดความเข้าใจโดยกว้างขวางล ะ, ละเอียดหรือโดยทั่วถึงคำว่าสุขและทุกข์เป็นผลซึ่งจะต้องสืบเนื่องมาจากเหตุดีละเอียดชั่วอะไรเป็นเหตุดีอะไรเป็นเหตุชั่ว นี่เราก็ติดตามสืบเข้าไปสืบเข้าไปเราก็จะเห็นเหตุและผลของกันและกันดุด จ, จะลูกโซ่เป็นเปราะๆไปดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นแต่ในที่นี้ในธรรมะข้อนี้ท่านชี้ถึงใจ ให้เราได้เห็นชัดรู้ชัดเลยว่าใจชั่วใจที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดประทุษร้ายให้หมดจากความเป็นใจที่ประเสริฐเคลื่อนคลาดไปจากความเป็นใจที่ประเสริฐอยู่ตามปกติธรรมดานั้น ใจนั่นถูกปทุสลายเสียแล้วถูกทำลายลงเสียแล้วเป็นอื่นไปเสียแล้วคือถูกกิเลสเข้าครอบงำว่าอย่างนั้นคือเมื่อใจเกิดกรัวด้วยกิเลสแล้วการกระทาในสิ่งต่างๆก็ดีพูดก็ดี ไดีชื่อว่าถูกประทุสร้ายไปจากคุณความดีโดยสิ้นเชิงด้วยก็เลยเมื่อการทำเมื่อถูกประทุสร้ายเหมือนอย่างใจแล้วการทำนั้นก็หมดดีไม่มีดีอยู่ในการกระทำนั้นไม่มีดีอยู่ในการพูดนั้นแต่ส่วนการคิดคือใจนั้น มันหมดดีแล้วเคลื่อนคลาดไปจากความเป็นปกติอันเดิมเสียแล้วเพราะด้วยอำนาจของกิเลสเพราะนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจนี้เมื่อถูกปทัทธุสลายนั่นก็หมายถึงว่าใจไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาครอบงำหรือทำลายจิตใจที่เป็นปกติลงไปเสียได้แล้วการทำก็ดีการพูดก็ดี ย่อมของผู้นั้นย่อมเป็นทุกข์นี่ท่านท่านผู้รู้ท่านกล่าวไว้สั้นๆอย่างนี้ถ้าเราจะกล่าวให้เต็มก็หมายถึงว่าการทำการพูดก็ไม่ดีด้วยเพราะนั้นผลของการทำชั่วพูดชั่วมันก็คือทุกข์ บุคคลผู้นั้นย่อมประสบกับความทุกข์หรือความทุกข์ย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปหรือว่าจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะต้องถูกบดขยี้ให้แหลบลานด้วยทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากการกระทำชั่วและพูดชั่วดังที่กล่าวแล้วเพราะใจนั้นถูกสิ่งที่เป็นโทษภัยประทุสร้ายเสียแล้ว เพราะฉะนั้นคาว่าใจที่ประเสริฐก็เลยหมดไปแต่นี้ให้เราไปดูเบื้องต้นเป็นใหญ่เป็นประธานสาเร็จด้วยใจเมื่อความประเสริฐสูงสุดในใจมันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นใหญ่เป็นประธานในอะไรในความชั่วความสาเร็จละ่ะการทำสาเร็จการพูดสาเร็จ มันก็สำเร็จด้วยความชั่วเท่านั้นเองนี่มันก็เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าหัวหน้านำในทางชั่วในทางเร็วไม่ใช่ทางดีสำเร็จด้วยความชั่วความเร็วไม่ใช่ความดีผลของมันก็คือใจนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ จะอยู่ที่ไหนมันก็ทุกจะพูดจะทำอะไรมันก็ทุกทำอยู่ก็ทุกพูดอยู่ก็ทุกทำลงไปเสร็จแล้วพูดลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็ทุกทั้งนั้นเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดผลเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขท่านยังเปรียบเหมือนกับล้อ ที่มันกลิ้งหมุนไปเพราะถูกโคลากมันจึงหมุนแล้วมันก็บดทับลอยโคไปโดยลำดับท่านอั่นนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะนั้นทุกข์ก็จึงบทขยี้มนโนคือใจของมนุษย์และสัตว์ซึ่งเป็นใจอันสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยประทุษร้ายคือข้อความแล้วนั่นเองนี่ท่านยก ขึ้นมาแสดงหรือชี้เพื่อให้เราได้ศึกษาทำความเข้าใจกันเราทุกคนก็มีมโนโคือใจเราทุกคนก็มีคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของมโนนั้นไม่ได้เครือบแฝงด้วยอำนาจของความอยากใดๆทั้งสิ้นนะ อย่างที่เราอยากใหญ่อยากมีอยากเป็นอันนั่นเป็นเครื่องประทุทสรลายมโนคือใจที่ประเสริฐตั้งหากเราต้องทำความเข้าใจให้ดีการที่เราจะทำความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดข้อใดข้ อ, ขอต่างอย่าได้เอาความเห็นแก่ตัวแทรกแซงเข้ามาร่วมกับการ วิจัยหรือจอกลึกในคิดถี่คือความเห็นของเจ้าของโปรดกรุนาให้ได้ใช้สติเป็นเครื่องระลึกกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องศึกษาสำรวจวิเคราะห์จาะให้มันลึกลงไปถึงจิตถึงใจ ของเรานั่นแหละเราจรึงจะได้ประสบกับผลสะอาดถูกต้องทรงไว้ซึ่งสภาพตามความเป็นจริงไร้ปราศจากระห่างไกลจากอคติเพราะด้วยอำนาจของกิเลสคือความเห็นแก่ตัว เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็ไม่ได้อ่อนเกินกว่าที่เราท่านทั้งหลายถึงแม้จะเป็นปุถุชนผู้ที่เกลื่อนกลนอยู่ด้วยโลภโกรธหลงและวิชาคือความมืดซึ่งมีเจตนานเจตนาตั้งใจเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ได้และมีปัญญาอยู่ตามหลักธรรมชาติจะพึงเข้าไปตาม กำหนดศึกษาให้เกิดความรู้ทองแท้คือตามความเป็นจริงดังที่กล่าวนี้มิได้ก็หาได้ไม่สามารถเราท่านทั้งหลายจะพึงรู้พึงเข้าถึงซึ่งความเป็นจริงดังที่กล่าวแล้วและเราทุกคนก็มีคุณ ความดีมีคุณลักษณะพร้อมที่จะทำให้เราเป็นผู้รู้ได้ดังที่กล่าวนั้นอย่างพอตัวได้กันทุกคนไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดมากกว่ากันเรามีดีพอพอตัวของเราที่จะเข้าไปเจาะคือวิจัยสิ่งเหล่านี้ให้รู้ท่องแท้ตามความเป็นจริง ทุกวันนี้เราไม่รู้ถึงความเป็นจริงเรารู้เองนเอียงไปกับตัวของเราเองคำว่าตัวของเราเองนั่นคือกับกิเลสจะทำอะไรอะไรก็เพื่อตัวเองจะภาวนาก็เพื่อตัวเองจะพิจารณาอธรรมก็เพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อหัวใจอันประเสริฐสุดดังที่กล่าวแล้ว ให้เราดูง่ายๆว่าใจที่ประเสริฐสุดท่านเปรียบเทียบใจมนุษย์กับใจสัตว์นั่นเป็นพื้นขั้นตำตับเราพอจะมองเห็นได้ไหมว่ามันต่างกันอย่างไงใจสัตว์เดือดฉันจะกี่พันล้านชนิดก็ตามก็ไม่ชื่อว่าเป็นใจประเสริฐมีสัตว์ประเภทเดียวคือมนุษย์จะเป็นยิ่งก็ตามชายก็ตาม เด็กไล่เดียงสาก็ต่างขอแต่ว่ายเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นในชื่อว่าเป็นผู้มีใจอประเสริฐแล้วประเสริฐในฐานหน้าที่เกิดมาเป็นสัตว์คือมนุษย์เนะีทีนี้เราจะเห็นความแตกต่างจากสัตว์เรื่ยฉันอย่างไรใครบ้างที่จะไม่รู้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์หรือวิจัย ก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างชัดเจนความรู้ชัดเจนตามความเป็นตามสภาพความจริงนั่นแหละนั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าความเป็นธรรมอันนี้เลยได้ชื่อว่าธรรมทั้งหลายแตนี้เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็ค่อย ใช้สติปัญญาของเราระลึกวิเคราะห์วิจัยเลือกเฟ้นสอดส่องเข้ามาถึงใจคือตัวของเราต่นี้มาค้นดูความประเสริฐจริงๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตรัดไว้พระองค์ทรงหมายเอาอะไรประเสริฐทั้งๆ ท, ที่ใจมนุษย์อันประกอบด้วยกิเลสโลภโมโทสันอย่างนั้นหรือก็เรียกว่าใจประเสริฐ มันก็จะต้องลดหลัน่นเรื่มล้ำกันมาโดยลำดับและก็สูงขึ้นไปโดยลำดับพอเข้ามาสู่หมู่มวลมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ในข้ออัดรำคำสอนพระพุทธเจ้าในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ผู้มีตนนั้นฝึกแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดเนี่ยท่านก็กล่าวไว้อย่างนี้ ก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เราก็ค่อยศึกษาไปเมื่อเราศึกษาไปตามขั้นตอนอย่างนี้ความสําคัญตนด้วยทิฏฐิคือความเห็นแลมานัทมานะอันประกอบด้วยประทานคือการยึดถือมันก็จะไม่เกิดขึ้นแม้แต่มันที่มีอยู่มันก็จะค่อยบังเบาบางเบ า, บาสังสารลดละลงไปลงไปได้โดยลําดับ ตามลําดับขั้นตอนที่เราใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาเพื่อหาสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่กับสิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆก็หมายถึงตัวเรานี่แหละเป็นของสําคัญที่สุดเพราะนั้นคําว่าความเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าประเสริฐสุดสําเร็จด้วยใจนี่ก็หมายคือใจได้แก่ผู้รู้ผู้รู้นั่นอยู่ที่ไหน อยู่ในถ้าคือครูหาได้แก่กายอันประกอบด้วยทวารทั้งเก้าอินทรีทั้งหกทวารทั้งเก้าอินทรีทั้งหกก็หมายถึงรูปขันของเราอินทรีก็หมายถึงตาหูจมูกเดินกายใจก็หมายถึงหาไทยข้อนเนื้อของหัวใจ เป็นจุดศูนย์รวมของประสาทคือตัวรู้อยู่ตรงนั้นและเป็นตัวชีวิตอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นรูปล่างโครงสร้างของคำว่ารูปขันคำว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจนั้นอาศัยอยู่ในร่างอันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงชีบอกทำก็ดีพูดก็ดีก็จึงหมายถึงกายอันนี้นเองทำเป็นผู้ทำปาก ที่จอเป็นรูปากนี่แหละเป็นผู้พูดการทำการพูดนั้นเกิดจากใจใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งเป็นผู้นำเป็นผู้บังคับบัญชากับทั้งเป็นผู้ สิรรวมเก็บผลอันเกิดขึ้นจากการทำการพูดแพ้แต่คิดในมโนคือใจนั้นนี่แหละคือใจเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องพากันรักษาใจถ้าใจของเราซึ่งตรงกันข้ามในบาตรคาถาที่สองว่าถ้าใจนั้นทำทำทั้งหลายมีใจเป็น บน ห, หน้าประเสริฐด้วยใจสำเร็จด้วยใจถ้าใจดีพูดง่ายๆเมื่อใจดีย่อมเป็นสุขอุปมาเหมือนกับเงาที่ไปตามตัวไปตามตัวตนฉะานั้น นี่ท่านแสดงไว้อย่างนี้นี่ท่านชี่ถึงให้เห็นถึงตรงกันข้ามคือใจที่ตรงกันข้ามกับใจที่ชั่วแต่นี้ถ้าใจดีใจงามการทำก็ดีพูดก็ดีความสุขก็เกิดเพรา ะ, ะนั้นความสุขมันเกิดเพราะการทำดี ท่านจึงุ ป, ประมาประไมเปียบเหมือนเงามันติดอยู่กับตัวของเรานั่นแหละมันจะปรากฏขึ้นมาหรือไม่ปรากฏขึ้นมามันก็อยู่ในตัวของเราเนหละเพราะฉะนั้นอันนี้ชั้นใดอันนี้ก็คำว่าสุขมันก็ติดอยู่กับความดีนั่นแหละอยู่กับการทำดีอยู่กับการพูดดีนั่นแหละสุขสุขก็คือการทำดีการพูดดี สุกนั่นจะปรากฏฉายแสงปรากฏขึ้นมาเห็นเด่นชัดเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนผลของการทำการพูดก็ตามหรือไม่ก็ตามมันก็เหมือนกับตัวของเรานี่แหละถ้าเราอยู่ในที่มืดเงามันก็ไม่ปรากฏถ้าเราอยู่ในที่แจ้งเงาของเราก็จึงจะปรากฏอันนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้น การทำความดีพูดดีคิดดีถึงแม้เราจะไม่ได้ประสบผลเห็นผลก็ตามผลของมันก็มีอยู่ในตัวของมันคือทำดีพูดดีนั่นเองไม่ได้ไปไหนต่อเมื่อมันมีผลเกิดขึ้นนั้นก็ต่อเมื่อมันโนคือใจดวงนี้ประเสริฐจริงจิงประเสริฐเพราะถูกขัดเกลาแล้ว มีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงจะไม่พ้นไปจากสมถากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานใจดวงนี้ได้มีอุบายเข้าไปครอบงำควบคุมเพื่อก่อมเกลีใจดวงนี้ให้สงบระงับดับไปจากสัญญาลมนิวรธรรม เห็นผลเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนานี่แหละเหมือนอย่างเราอยู่ในที่แจ้งเงาก็ปรากฏอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรามีสติปัญญาเจาะลึกลงไปในจิตใจของเราเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเรามันมืดคลึ้มเหมือนพระอาทิตย์แสงเดือนแสงพระอาทิตย์มันถูกเมฆหมอกปกคลุมและบดบังถึงมันจะเป็นธรรมชาติวันเพญ พระจันทร์เต็มดวงก็ตามมันก็ไม่เจิดจ้าเท่าที่ควรพระอาทิตย์ก็เหมือนกันถึงมันจะแผดลัศมีสว่างครอบจักรวาลอย่างชัดเจนก็ตา่างมันก็มืดคลึ้มลงไปเพราะเมฆหมอกได้ฉันใดจิตแม้จะเป็นดวงอันประเสริฐตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ก็ตา่างเมื่อถูกอำนาจของกิเลสครอบงำแล้ว มันก็เกิดความมืดได้มันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นผลแม้แต่จะเป็นความดีที่เราทําอยู่แสดงทาอยู่บนธรรมาฏก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นความดีฟังทาอยู่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นความดีนั่งเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นความดีปรากฏอะไรขึ้นมานั่นเพราะใจเรามันมืด แต่ก็อย่าปล่อยให้มันอยู่ในห่วงแห่งความมืดบ่อยนักมันจะเกิดความขี้เกียจขี้คา้านขยันไปในทางที่ผิดเพียนไปในทางที่ผิดฉลาดไปในทางที่ผิดมันทำให้เกิดความขี้เกียจขี้คา้านเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกาจัดแก้ไขจิตใจของเรา มันเป็นดวงประเสริฐนี้เพราะมันมีสิ่งที่ควบคุมจิตใจของเราให้เกิดความมืดมนไม่เห็นผลในการความดีเราทำความดีอยู่บวชอยู่ก็ไม่เห็นว่าเป็นความดีอะไรบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดฟังธรรมจาสินให้ทานพยายามแล้วเกินรพยายามทำความดี ก็ปรากฏว่าไม่เห็นความดีปรากฏเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพราะอะไรบางครั้งก็เกิดอิจนาระอาใจบางทีก็เพ้อไปตามลักษณะของคนมิจฉาทิฐิเราทำความดีจะเป็นจะตายไม่เห็นได้ดิบได้ดีอะไรส่วนที่เขาทำความชั่วเขาทำไมจึงรวยเอารวยเอารู้สึกเขามีหน้ามีตามีเกียรติมีคนรู้จัก แต่เราสิไม่มีใครที่จะรู้จักนี่มันเป็นความคิดลักษณะของคนมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรใจดวงันประสเสรฐนี้มันถูกครอบงาด้วยกิเลสตัวดั่งอยู่บนความดีก็ไม่เห็นความดีของตัวเองพูดเป่าๆอยู่กับความดีก็ไม่เห็นความดีของเจ้าของ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดล้วนแล้วแต่เป็นความดีทั้งนั้นจริงอยู่ถึงเราจะเป็นปุถุชนเป็นพระอย่างปุถุชนเนนเป็นพุทธบริษัทอย่างปุถุชนถึงยังจะไม่พ้นจากความชั่วโดยที่เป็นสมุทเฉตพหานมันก็มีเพียงแค่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ใหญ่โตถึงขนาดจะต้องตัดมรกตัดผล ตัดคุณความเดียนสูงส่งไปจากชีวิตของเราเมื่อเราก็ยังไม่เห็นวันหนึ่งเรามีคุณงามอยู่กับคุณงามความดีเราก็คงไม่เห็นนั่งทับนอนทับอยู่วันแล้ววันเล่าทั้งทั้งที่เราค้นคว้าอยู่ก็ไม่เห็นทำอะไระไรไม่เห็นเราระวังให้ดี มันจะเกิดโกสัจฉะความขี้เกียจขี้คานเกิดความทอดแท้แต่ว่าสติเป็นเครื่องระลึกนั้นมันไม่อ่อนนะปัญญาความฉลาดรู้มันไม่อ่อนนะแต่เมื่อใจเราอ่อนแล้วนะสติปัญญามันมันจะนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็คนทําความชั่วทําบาปจนถึงได้เลี้ยงชีวิตเพราะการเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นจนได้นำชื่อวยมหาโจรมันโง่เลยคนที่ค่าของเถื่อนเฮโรอีนเป็นต้นทีหนึ่งได้หลายร้อยพันล้านมันโง่เลยคิดว่าโง่เละคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันหนึงหมูเป็นพันตัว เป็เป็นหมื่นตัวโง่หรือบุคคลเหล่านั้นนี่คิดพิจารณาดูให้ดีนั่นคือเอาความฉลาดปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดในศาสนานี่จึงประนามว่าเป็นคนโง่แต่ก็ใช้บทบาทชั้นเชิงของความฉลาดนั้นเอง แต่พอใช้ความฉลาดในทางที่ผิดบัณฑิตนักปราชญ์จึงไม่สรรเสริญเพราะไม่เป็นไปเพื่อจะปลดเปลื้องให้ตนของตนพ้นไปจากความทุกข์และเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมาได้ยินได้ฟังตามนั ญ, ญาตที่เด้กล่าวสู่กันฟังโดยย่อ เพียงแค่นี้นั่นก็จงได้โปรดนำไปปินิดพิจารณาถึงสภาพจิตของเราว่าเป็นจิตที่ประเสริฐเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จล้วยใจเพราะนั้นเมื่อใจของเรานั่นถูกสิ่งที่เป็นโทษเป็นไผ่ข้าครอบงำคือประทุษส้ายหมายถึงครอบงำแล้ว การทำพูดย่อมจะส่งผลให้เป็นทุกข์ติดตามตนของตนเหมือนรอยล้อตามบทกระยี้ลอยโคไปโดยลำดับจันนั้นแลตรงกันข้ามท่าใจของเรานั้นถูกพ้มหอเพียบพร้อมด้วยคุณความดีได้แก่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง เป็นใจประเสริฐอย่างแท้จริงเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้การทำก็ดีพูดก็ดีย่อมผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากในหัวข้อของธรรมานี้เราจะหาได้จากใจคนเหล่านั้นเอง เราอย่ามองเห็นและพยายามหาความสุขนอกไปจากใจของเราแม้ในที่สุดที่อยู่ใกล้ใจคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลมนั่นคือไม่ใช่แดนที่จะทําให้เกิดสุขขารมคือบรมมาสุขในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมก็เห็นว่าพอควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยปาการาชนี ทศนะโมทัสสะภะวัตตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะวัตตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะหิดานิปรสีิวเสนปิตายะ มุธะปริสัยกาจิธรมิกายเตยัตสัพปังคตังกัมมังภุสเรนะปฏิยติโซมังโลกังปพาเซติาโตวจันติอิมัสสะธรรมปรยายัส มาโธ่ฆาทายัสมันเตหีสกัะจังธรรมโอโซตปูนตีนวลนีปินวันพนารสีดิษีที่สิทธาค่ำ แห่งการปักบันดาพวกเราเราพุทธบริษัททั้งกระหัดและบรรดาจิตตามก็ได้พร้อมขายระจิตมาร่วมจุมนุมเพื่อประกอบคุณงามความดีใส่ตนของตน ในเบื้องต้นเราท่านทั้งหลายก็ได้พากันประกอบให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีแล้วในโอกาสต่อแต่นี้เราท่านทั้งหลายจะได้เพิ่มเติมผู้สล บุญยราศีกล่าวคือบารมีของตนให้ยิ่งๆิ่งขึ้นไปด้วยการศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและ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 มาพารณาชี้แจงตามกำลังสติปัญญาความสามารถและโอกาสเวลาจับเงำหนวยหัวข้อของธรรมะที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องตนซึ่งเป็นประษาบาลีนันว่ายัตสั คำมังยัดสภาพังกตังคำมังกุศเลนะปฏิยติโซมังลูกังประภาเตติอภามุตโตวะจันดิมาซึ่งแปลเิ็นใจความว่า ทำชั่วอันบุคคลใดทำไว้ในการกอดทุงมรณะเสียได้ด้วยกุศลคือความดีบุคคลผู้นั้นชื่อว่ายางโลคนี้ให้สว่างดุดดังประจันปัน้นแล้ว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 ย่อที่สุดย่อมพมความหมายไว้อย่างมากมายแต่ในที่นี้นั้นเราจะพึงกำหนดหมายทำความเข้าใจแบบ ส, สั้นๆหรือว่าง่าย คำว่าบุคคลนั้นก็หมายถึงสัตว์โลกคือเราท่านทั้งหลายนี้เองคำว่ากรรมนั้นก็หมายถึงการกระทํากรรมนี้เราท่านทั้งหลายนับจําเดิมตั้งแต่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกจเจริญวัยมาโดยลําดับ จนถึงปัจจุบันนี้ต่างก็ได้ประกอบกรรมคือมีการกระทําอยู่ตลอดเวลากรรมะแปลว่ากรรมตัวนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็ย่อมจะได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของการนัดฐานที่บายว่ากรรมะ ในทางพุทธศาสนานั้นย่อมมีความหมายแตกต่างกับคำว่า ก, กรรมที่มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดแห่งปวงสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยโบ ร, บ ร, ราณสืบมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่จะชำระสาสาง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 เราได้ชื่อว่าเรานิยมเรียกกันว่ากรรมอย่างคนใดคนหนึ่งก็ตามเพื่อนมนุษย์เกิดแก่จิตตายตลอดถึงสัตดิเราชาถาได้รับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มักจะลำพึงเพือออกมาว่ากรรมหนออย่างนี้เป็นต้น เมื่อกล่าวสันส้นๆแล้วคำว่ากรรมตัวนี้ในความรู้สึกนึกคิดระทับแน่นในดวงจิตใจของเราสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นคำว่ากรรมนั้นก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั่นเองหรือจะกล่าวันอีกในหนึ่งแบบชนิดสันส้นๆเข้าใจง่าย ก็หมายถึงวิบากรรมอันบาปเป็นต้นเหตุส่งผลให้ผลของบาปนั้นย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาพึงพอใจและยินดีอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งปวงสัตว์ทั้งๆ ท, ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนิยมประกอบกรรมคือทำขึ้นมา จากกายของตนบ้างจากวาจาของตนบ้างและกจากจิตใจของตนบ้างในขณะเวลาธรมหรือประกอบขึ้นนั้นรู้สึกว่าจะมีความรักความชอบความนิยมอย่างแน่นหนาฝาขั้งยากต่อที่ใครๆที่จะไปอบรมเสี่ยมสอนให้เลิกละ ทั้งในส่วนความลึกคิดและการกระทาในทางด้านจิตใจก็เต็มปด้วยอุปทานและมานะทิฏฐิอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิคือความเห็นมานะเต็มปด้วยความถือตนถือตัวคือถือความคิดและถือการกระทำของตนนั่นเอง มีรสนิยมสูงและมั่นคงแต่พอผลของกรรมนั้นมาถึงเข้าบุคคลเหล่านั้นจะรีบปฏิเสธไม่ยินดีหรือไม่ยอมรับนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนดังนั้นคำว่ากรรมในทางว่าพุทธศาสนานั้น ไม่ระบุบ่งบอกถึงว่าเป็นสิริมงคลหรือเป็นอภิมงคลเป็นโชคหรือหลางร้ายหรือว่ารลางดีคําว่ากรรมนั้นกรมมะหรือกระตัวนี้ท่านแปลถึงการกระทําเท่านั้นยังไม่ได้บ่งบอกถึงว่าดีหรือชั่วเป็นอภิมงคลหรือว่าเป็นมงคล เป็นลางดีหรือลางลายแต่ท่านหมายถึงการกระทำเท่านั้นคำว่ากรรมมาซึ่งมาจากกระชาติแปลว่าการกระทำเราได้ยินอยู่เสมอสับนี้ในทางศาสนาไม่ว่าเราจะไปฟังปาตกรถ า, าหรือว่าฟังเทศฟังธรรมที่ไหนก็ตาม จะติดอยู่ทุกครั้งของการฟังคำว่ากรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นในเราทำความเข้าใจง่ายๆว่ากรรมคือการกระทำแต่นี้เมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยสึกสาในขั้นตอนต่อไป จากการกระทํานั้นๆันคือจากคำว่ากรรมนั่นเองการกระทํจาจะเป็นเครื่องแสดงออกหรือว่าเป็นนิมิตรเครื่องหมายจะบอกให้เรารู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีเลยชั่วและไม่ดีไม่ชั่วตลอดถึงผลอันจะพึงเกิดขึ้น ทั้งส่วนอดีตเหตุปัจจุบันเป็นผลหรือจุปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลมันจะหมุนเวียนส่งทอดกันไปดุดจะลูกโซ่ท่านจึงเรียกว่าวัดตะเช่นอย่งางอดีตเหตุอย่างเราได้เกิดมาเป็นผลพ้นจาก นรกเตตสุรกายและสัตว์เระฉานนับชนิดไม่ได้เราจะต่างกันเพียงแต่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายจะต่างเพศอย่างไรก็ตามก็ พ, อ, พอที่จะสรุปลงไปได้ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะอำนาจบุญกุศลไม่ใช่เพราะบา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 ต, ตัวมีตัวมีตนคือเป็นเราเป็นเขานี่ไม่มีมีแต่เหตุในอดีตคําว่าอาดีตนั่นก็คือไม่ใช่ภพชาติในปัจจุบันที่เราจะมองเห็นกันในปัจจุบันนี้มันเป็นภพชาติอื่นขาดตอนไปจากปัจจุบันนี้นั่นเป็นเหตุ มันจะได้เปนบุญเป็นกุศลด้วยการกระทําการพูดหรือการคิดหรือจะด้วยการบริจาคทานรักษาศีเลเจริญเมตตาภาวนาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุที่เราก็ทําไว้แล้วในอดีตและเหตุที่เราก็ทําไว้แล้วในอดีตนั้นพอที่จะกล่าวลงไปได้ว่าไม่ใช่อดีตในภพของอบายภูมิทั้งสี่ เราไม่ได้สร้างบุญกุศลในนรกในพบชาติต้องการเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นสัตว์เดรัจฉานและเราก็ไม่ได้สร้างเหตุแห่งบุญกุศลที่จะหนุนส่งมาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ในพพของสวรรค์สิบหกชั้น และพรมโลกสิบหกชั้นสวรรค์หกชั้นพรมโลกสิบหกชั้นหรือหากมีมากกว่านั้นก็เปล่าทั้งสิ้นในอบายภูมิทั้งสี่สวรรค์หกและก็พรมโลกไม่ใชพภูมิของการที่จะพึงประกอบเหตุ ให้สมลิดผลมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้หากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดังกล่าวเป็นแดน พ, รรนพบภูมิของการประกาศผลหากเป็นพภูมิของการประกาศผลซึ่งมาจากเหตุ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 และก็เป็นผู้มีโอกาสดีดีกว่าภพภูมิอื่นดีกว่าไบรรภูมิทั้งสี่สวรรค์ทั้งหกพรมโลกทั้งสิบหกชั้นหรือมีมากกว่านั้นเพราะอะไรภพภูมิดังกล่าวนั้นเป็นภพภูมิประกาศถึงผล ไม่ใช่เป็นภพภูมิซึ่งตัวเหตุไม่จะแดนแห่งการ ส, สร้างบุญกุศลและเป็นแดนของการสั่งสมภากว่าเป็นภพภูมิหรือแดนของการใช้ภพภูมิของแดนของการเสวยมีหน้าที่ชดใช้หรือเสวยเท่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างเราเป็นเด็กที่ไล่เดียงสา เกิดขึ้นมาเป็นเด็กหรืออยู่ในภาวะของความไรเดียงสา ม, มีใช้ลูกเดียวผู้หาได้แก่ผู้บิดามารดาหรือไม่มีบิดามารดาก็ที่เลี้ยงนั่นแหละผู้ใหการอุปธรรมนั่นแหละมีหน้าที่ในการทำมาหาเลี้ยงอันนี้ฉันใด คุ้มดังกล่าวนั่นก็เหมือนกันมีหน้าที่ในการเสวยหรือใช้แต่ในพเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าดีสู้พวกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นยิ้งก็าตามหญิงได้ชื่อว่าบวชไม่ได้สืบต่อยุศาสนาทรงเป็นนะักบวชไม่ได้ก็าตามชายก็ดี แต่นี้ถ้าหากว่าเราจะมองถึงการมาเป็นมนุษย์เป็นแดนของประกาศวิบาก ค, คือผลของกรรมได้วยการกระทำจะเพราะตนจะเพราะตนนั้นผิดดแทกแตกต่างกันออกไปซึ่งในศาสาสนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตัดใบแล้วได้ทรงค้นพบ ได้ทรงค้นพบได้ไขค้อด้วยพระสติปัญญาปีชายานอย่างทองแท้แล้วว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้มีภาวะคือความเป็นทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจต่างต่างกันถึงแม้ว่าสัตว์โลกคือมนุษย์ ทุกหมู่เราจะเกิดขึ้นจากต้นจากกอเดียวกันก็ตา่างถึงดังนั้นทุกๆอย่างก็ไม่เหมือนกันผิดแผกกันออกไปอย่างที่เราทราบแล้วทั้งนี้ก็เพราะด้วยอำนาจของกรรมได้แก่การกระทําของแต่ละบุคคลนั่นเอง ถึงเราจะมีพ่อมีแม่ทุกคนพ่อเดียวแม่เดียวได้ดินได้น้ำได้ลมได้ไวเรียกว่าธาตุทั้งสี่สืบเนื่องมาจากธาตุของพ่อของแม่เหมือนกันหมดจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้สูงต่ำดำขาวก็ได้ จะโง่จะฉลาดก็ได้เหมือนกันหมดไม่ขาดตกบกร่องแต่ทำไมมันจึงมีการแตกต่างกันออกไปผิวก็แตกต่างสวดทรงก็แตกแตกต่างจริดนิสัยก็แตกต่างนั่ น, นแหละก็เพื่อประกาศสัจจะคือความเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าคูอพระองค์ได้ทรงจัดไว้ว่า กรรมย่อมเป็นเพื่องจำแนกสัตว์ทา่านนีกับพ่อพระองค์ได้ทรงรู้ชัดเรียกว่าโลภวิทูรู้สมุดฐานที่มาของการเป็นมนุษย์รู้จักสมุดฐานที่ทำให้มนุษย์นั้นมีเพศมีวัยมีจริตนิสัยต่างกัน อย่างแน่ชัดตรงกับหลักของความเป็นจริงดังที่กล่าวแล้วว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตเพราะฉะนั้นปัจจุบันในชาติตัวนี้เป็นปัจจุบันเหตุหเป็นภพชาติของการมาเป็นมนุษย์อย่างเราเกิดมาในปัจจุบันนี้ เป็นภพชาติของการที่ก่อเหตุสร้างเหตุที่จะทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยหน้าแถ็มบุญไม่ใช่ภพชาติอื่นดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวัดได้ในที่ไร้เหตุอย่างท่านแสดงไว้ในมงคลล่สุดปุเพกะตะปุญญาตา แต่ว่าได้แก่บุญกุศลอันที่เราท่านทั้งหลายได้ทำไว้ในการก่อนจึงเป็นเหตุให้เราได้ประสบในสิ่งที่พึงประสงค์มากบ้างน้อยบ้างนี่อย่างท่านแสดงไว้อันนี้แสดงไว้ใน มงคลล่สุดข้อหนึ่งหรือหมวดหมู่หนึ่งซึ่งปฏิรูปรเทสวาโสจักปุพเพจกตาุญญยตาเนี่ยการที่ได้เกิดมาในปฏิรูประเทศ ดังนท่านอธิบายยงใหญ่ไปถึงกันว่าเพราะด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำไว้ในปางก่อนเราทำทั้งหลายก็เหมือนกันอดีตเทตก็หมายถึงว่าในพบของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พบชาตินั้นมันผ่านไปแล้วจะด้วยหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสิบชาติยี่สิบชาติก็ตาม ร้อยเป็นพันก็ตามแต่เมื่อเขาให้ผลแล้วมันก็จะต้องเป็นผลที่ดีอย่างที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะโง่ก็ดีจะฉลาดก็ดีจะยากจนข้นแคนจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็าตาม จะสูงโดยชาติหรือไร้ชาติไรเกียรติยศก็ตามนั่นมันเป็นเรื่องของปัจจุบันทุกคนเขาสร้างขึ้นแต่งขึ้นประกอบเหตให้เกิดมีขึ้นในตัวตนของเขาเขาก็ย่อมจะได้แม้ในปัจจุบันเขาไม่ได้สร้างไม่ได้ทํา อย่างคนบางคนเนี่ยรื้นตาเห็นแสงสว่างในโลกก็หอบเอาเกียรติตรกูลมาด้วยเพราะเกิดในตระกูลที่สูงทรงเกียรติทรงศักดิ์อย่างนี้เป็นต้น น, นี่พูดแค่นี้เราทุกคนก็ทราบและเข้าใจโดยทั่วถึงและมองเห็นได้อย่างชัดเจนทำไมเขาจึงเกิดอย่างนั้นและเราละ่ะทำไมจึงไปเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาพ่อข้าพานิชไปเกิดในตระกูลธนีทกคือคนขอทานหรือเกิดในเป็นพ่อข้าพานิช ราชการทาไมจริงไม่เกิดในรั้วในวังลูกเจ้าพระยามาหากษัตัตย์ทำไมจริงไม่เกิดอย่างนั้นทำไมจริงไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะเราทุกคนไม่ชอบเลหล่ะไม่มีใครหรอกที่จะไม่ชอบอันขึ้นชื่อว่าผลแห่งบุญ น, นั้นใหญ่แล้ว คนไม่พึงปราถนานั้นเป็นนันว่าไม่มีแต่ที่มีอยู่ไม่พึงปราถนานก็แกล้งว่าก็แ้งว่าไปอย่างนั้นแหละก็ ถ, ถึงจะปราถนานในปัจจุบันมันก็ไม่ได้อย่างนี้ตินต้นแต่หลักของความจริงแล้วในกิเลส ข, ของหัวใจคนแล้วมันต้องการอยู่อันนี้ผู้จะเชื่อเราได้เห็นรั ว, ว ความแตกต่างด้วยอำนาจของอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเกิดมาเป็นอยู่ในตระกูลไหนก็ตามชาติไหนก็ตามภาษาไหนก็ตามเราก็ควรจะภาคภูมิใจเพราะมันเป็นภพชาติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ เหมือนเราอยู่ยืนอยู่ในถ้ำกลาขงของทางสีแป้่งทางแต่ละแพ้่งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่ไปของสมบัติทักฐานทาั้งทางที่ไปทั้งดีและชั่วถูกและผิดเพราะฉะนั้น เรามีสิทธิ์จะพึงเลือกได้ทุกอย่างทุกประการตามความประสงค์ของเราเองเมื่อเราได้เกิดมาอยู่ในภพภูมิในลักษณะเช่นนี้แล้วถ้าเรายังจะมาว่าตัวเราเป็นผู้อารับเป็นผู้มีบุญน้อยเป็นผู้มีวาสนาน้อยอยู่อีกหรือการที่เราว่าอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของ คนขี้เกียจขี้คร้านเป็นคนมักง่ายไม่มีความอดมีไม่มีความทนการจะรากความชั่วหรือกําจัดความขี้เกียจขี้ค้านความเข่าของตัวเองก็ดีแม้หนที่สุดจะกําจัดความทุกข์ยากลําบากเพราะขาดแกนปัจจัยสี่ให้หมดไปจาก ภาวะคือชีวิตความเป็นของเราในปัจจุบันจนก้าวขึ้นสู่ภาวะคุอความเป็นนั้นที่คุ้นหน้ายินดีและปราถนานเราต้องอาศัยความพาก ค, ความขยันหมั่นเพียรมันจึงจะสำเร็จมันจึงจะหลุดพ้น จากภาวะคือความเป็นนั้นแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันในชาตินี้ถ้าเราไม่ขวัขวายให้มันพร้อมคือเมื่อไม่มีการกดเรื่องสิ่งที่คุณกดเรื่อง ส, สร้างสิ่งที่ยังไม่เคยมีให้เกิดขึ้นในตัวตนของเราแล้ว เราจะไปสร้างกันพบไหนชาติไหนาบรรมายภูมิทั้งสีก็สร้างไม่ได้เพราะนั่นมันเป็นแดนของการเสวยผลแห่งบาปรากุศล ส, สว 6, รรค์กรหมสิบหกชั้นนั่นก็สร้างไม่ได้เป็นแดนเสวยผล ที่สร้างได้คือพบปัจจุบันนี้เท่านั้นเราจะสร้างนารกให้เผาไหม้ตัวเราในปัจจุบันคือยังมีลมหายใจอยู่นี่ก็ในชาติมนุษย์นี่แหละเราจะสร้างสวรรค์นิพพานก็สร้างกันในพบชาติมนุษย์นี้เราจะสังสมเรียกว่า บ, บุญญานิธิ เมื่อนำไปกินไปใช้ไออุดมสมบูรณ์ในพบภายภาคหน้าเราก็สั่งสมกันในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อนาคตและก็ไม่ใช่อดีตเพราะฉะนั้นจึงเป็นการที่ไม่สมควรในการที่จะรอการใดๆเมื่อเรามาทราบอย่างนี้แล้วเราก็ควรได้จะต้องแก้ไข ในความเป็นปัจจุบันของเหล่านี้ให้มันเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ในภาวะคือความเป็นเป็นกระาวาดญาติโยมความเป็นก็เยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าหน้าที่ทุกคนเกิดมาจะต้องมีภาระหน้าที่คือเป็นลูกคน แม้เราเป็นภาพเป็นเนนเวลานี้ม่เปไม่เป็นลูกใครเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่พระเนรหมดจากความมีพ่อมีแม่เหมือนอย่างชาวโลกเหลือดีสมัยที่เรายังไม่ได้บวชกันก็มามีอุปชามีอาจารย์แทนเกิดมาในโลก เราก็มีหน้าที่ของความเป็นลูกคนลูกที่ดีจะต้องทำอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรบ้างอยู่ในความปกป้องลูกประการละพ่อแม่แต่นี้คาว่าพ่อแม่ก็มีหน้าที่หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูก หน้าที่ของความเป็นสามีหน้าที่ของความเป็นภรรยาหน้าที่ของความเป็นนายหน้าที่ของความเป็นเบ่าหน้าที่ของความเป็นสิทธิ์หน้าที่ของความเป็นครูเป็นอาจารย์นี่แหละนอกจากนั้นแล้วเขาก็สวมหัวขนให้ มีอยู่เต็มโลกอย่าว่าแต่ในทางโลกมองเข้ามาในศาสนาแรกเริ่มเดิมทีสมัยนน้นเรียกว่าขั้งพุทธการไม่มีวัคคุมีแต่สั จ, จธรร ม, โ ล, รรมโลกีธรรมโลกุตระธรรม โลกิยธรรมนั้นก็หมายถึงว่าผลแห่งกรรมที่ดีกรรมที่ดีเกิดผลที่ดีจากกรรมนั่นแต่ว่าเป็นกรรมซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดผลยังต้องวนอยู่ในวัฏฏะและอยู่ในภาวะของความไม่แน่นอนคือเกิดได้ดับได้วันนี้อาจจะพ้นจากนรกไปสู่สวรรค์สู่พมทมโลก หรือเฉียดเข้าไปสู่แดนพรนิพพานแต่อีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าเพดลงไปนรก <c oughs> นี่คือโลกีและ ก, โลกะ็โลกุตระละโลกุตตาละนันก็หมายถึงว่าแดนแห่งธรรมะบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ต่างเมื่อมีการสารวมกายและจิต ในสินสมาธิปัญญาหรือว่าสินธรรมเกิดขึ้นในกายในจิตถึงขั้นตอนของคำว่าโลกุจฉะนั่นคือพระโสดาสกิทาคานาคาราคารหารรหารันนี่เป็นโลกุจฉะธรรมเป็นแดนแห่งโลกุจฉะธรรมมีคติที่เที่ยงตรง ถึงยังจะต้องว่าคนมาเกิดตายก็ไม่มากนักต่ำสุดก็เจ็ดชาติแล้วก็เขา้านิพพานตลอดเวลาของการเรียนไหวตาเกิดคำว่านรกะบายภูมิทั้งสีไม่มีพอปิดเสียจแล้วทั้งนี้ก็เพราะความประพฤติ ท, ที่จะเกิด ในนรกในปัจจุบันในชาติคือการเป็นมนุษย์ของแต่ละชาติชาตินั้นไม่มีท่านลาได้แล้วโดยเด็ดขาดเป็นสมุดเฉตปะหารนี่แสดงให้เห็นถึงว่านิบาันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในทางระพทธศสนาทั้งในส่วนที่เป็นโลกีและคุณโลกุตระ เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อมาได้ยินได้ฟังได้รับการศึกษาเพราะการได้ยินได้ฟังและได้การปฏิบัติในเรื่องของพระพุทธศาสนาทำให้เราท่านทั้งหลายเกิดมีสติปัญญาคราวคือความสว่างในมองเห็นความมืดและความสว่าง ยิ่งขึ้นในตัวตนของตนพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่ควรจะใสยซึ่งความประมาทจงพากันพยันหมั่นเพียรขวัขวายประกอบกิจาการคือกรรมดีเพื่อชำระสิ่งที่ไม่พึงตัดธนาได้แก่บาปพระกุศล หากมีอยู่ในกายในวาจาและจิตของเราส่วนธรรมที่ควรเจริญในการอบรมกายและจิตของเราให้เป็นไปตามกระแสของธรรมะที่ละเอียดอ่อนและซึกลึกซึ้งเราก็ควรที่จะต้องเจริญให้มาก ทำบําเพ็ญให้มากสํารวมให้มากทางด้านจิตใจของเราก็คุ้นคิดพิดิษพิจารณาให้มากเมื่อเราจะกล่าวถึงสั้นๆในตามรูปแบบภาพของการปฏิบัติแล้วค้นคว้าพิจารณากายให้มากพิจารณาจิตให้มาก นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาจิตหรือใจนั่นก็หมายถึงว่าติดตามจิตใจของเราควบคุมจิตใจของเราว่าจิตของเรานั่นมันจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลและกุศลและพยายามควบคุมให้จิตของเรานั่นอยู่แต่ในกุศลอารมณ์ของกุศลนั้นมีมากมายไตยกอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายผู้ใคร่ต่อความเจริญให้แก่ตนของตนตั้งใจศึกษาหาความรู้และตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปตามในญาติที่ดังที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้เราท่านทั้งหลายจะได้ชื่อว่าแม้แต่เราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เคยมีความประมาทบัวเมามาในการก่อน แม้จะเคยได้สร้างกรรมทำเข็นมาในการก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราได้เลิกละการทำความทั่วและการนิยมเมื่อในจิตใจของเราก็ได้เลิกละลืมถอนมาประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นไปตามในที่ได้กล่าวสู่ฝั่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาท ยังความสะอาดบริสุทธิ์ได้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราจึงเปรียบได้กับข้าวบัปรามาบไมัว่าพระพิษพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกลังจะมีแต่ความสว่างสวัยอันนี้ฉันใด เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติอบรมให้เป็นไปดังที่กล่าวแม้ในการก่อนเราได้เชื่อว่าเป็นผู้ประมาทเป็นผู้มัวเมา <c oughs> ได้ประกอบกรรมชั่วและกุศลใส่กายและจิตใจของตนในที่สุดเราก็มาได้เลิกละแล้วประกอบคุณงามความดีโดยสุวนใหญเกิดมีขึ้น <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังโลกนี้ ให้สว่างสวัยสาดบริสุทธิ์ฝุดผองเกิดขึ้นในกายในจิตของตนฉันนั้นพระาชการที่ได้ชี้แจงแสดงทำในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแกเวีระจรึงขอยุติเทวังก็มีด้ยวยประการฉันพะพุทธเจ้า